วันนี้เป็นวันที่19พฤศจิกาห้สองเมื่อวานหลวงพ่อได้ไปที่วัดน้องกองหลวงปู่เพียนนัดหมู่คณะพระสงฆ์แต่หลวงปู่บุญมีท่านไปทอดผ้าป่าที่วัดหลวงตาเมื่อวานเนี้เพราะวงศาคนาญาติของท่านเมื่อจัดการหลวงปู่สอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ปัจจัยมาก็เลยนํามาถวายองค์หลวงตาเมื่อวานเนี่ยหลวงปู่เพริ่นก็นเลยไปเข้าไปกราบหลวงตากับคณะญาติพี่น้องของท่านก็นเลยไม่ได้มาร่วมหารือเมื่อวานนี่ก็เป็นอันว่าเจดีของหลวงปู่เพีย่นเนี่ยที่ลงมติกันเมื่อวานเนี่ยหเห็นพ้องตรงกันไม่มีใครคัดค้าน มีผู้เสนอว่าเอาลงที่สระน้ำสระน้ำที่นาวัดถ้าเราเดินเข้าไปวัดน้องกองวัดป่านน้องกองจะอยู่ทางขวามือสระรูปแรกเราจะสร้างเจดีย์ขึ้นตรงนั้นเจดีย์นี่ก็ความใหญ่หรือกว้างก็9เมตรคูณเเมตรไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะใหญ่ของหลวงปู่ล่าที่พูจ ก, ก้อนดูจะเป็น5เมตรคูณหเมตร ของหลวงปู่จันสมเนจ็ดเจ็ดคูณเจดอันนี้ดูแล้วเป็นเก้าคูณเก้าใหญ่พอสมควรอยู่แต่หลวงพ่อก็ได้ถามว่าการที่จะสร้างตรงที่ท่านประชุมเพลิงกับที่สระน้ำาน่จะใช้ค่าใช้จ่ายต่างกันมากไหม อันนี้คณะในช่างก็ได้อธิบายวิธีการก่อสร้างให้ฟังบอกว่าอาจจะทำง่ายกว่าอีกชุดเลยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรกีดขวางแต่ว่าที่มันยากก็คือจะต้องได้ลงไปออทำฐานแผ่หรือว่าตอกเสาเข็มบนตรงสะนั่นทามันเป็นดินแข็งอยู่แล้วก็คงจะเป็นฐานแผ่ ตาว่ามันดินอ่อนก็คงจะได้ใช้เสาเข็มจากนั้นก็เทตะม็ อ, อขึ้นมาถ้าจะเปลืองกว่าสร้างบนบกก็ไม่น่า จ, จะเกินสองสามแสนหลวงพ่อก็เลยอื้ถ้าเป็นลักษณะนั้นก็เอาลงที่ตรงนี้เพราะว่าที่วัดกองหลวงปู่ท่านก็แคบอยู่แล้วถ้าไปสร้างตรงนั้นก็คงจะได้ขยายกุฏิของท่านออกอีก ก็มันใกล้ที่ประชุมเพลิงถ้าเอาตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะกว้างขวางก็ลงมติกันเห็นพ้องตรงกันแต่ก็หลวงพ่อก็ได้ให้พระที่เกี่ยวข้องท่านที่อยู่วัดถ้ามีใครถามก็ให้ตอบเขาให้ได้นะนี่แหละ กลุ่มบายการประสงค์ศรัทธาญาติโยมเห็นพ้องตรงกันว่าจะสร้างเจดีย์ตรงสะน้นํานี้ส่วนค่าใช้ใจ่ายก็ไม่เกินกันมากและก็พร้อมการทําไมจึงลงตรงนี้พอเวลาพี่น้องประชาชนต่อไปภายภาคหน้าเข้ามากราบพระเจดีย์เจ้ากรมมาแล้วก็เข้าไปแวกราบพระเจดีย์ได้ง่ายเพราะอยู่ที่ประตูวัดแต่ถ้าว่า มาสร้างตรงที่ประชุมเพลิงต่อไปภายภาคหน้าทั้งหญิงทั้งชายทั้งต่างประเทศพวกเราก็รู้รู้กันอยู่ต่างประเทศการแต่งตัวเป็นยังไงเพนผ่านเข้ามาบริเวณของพระสงฆ์อยู่บริเวณศาลาภาคเล็กเนนน้อยทากิจวัดขอวัดทำความสะอาดบริเวณนั้น แล้คนทั้งหลายกับเพนผ่านวุ่นวายดูแล้วก็จะไม่เป็นส ป, ปายะสําหรับพระสงฆ์ผู้มุ่งความสงบต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพวกเราที่คิดก่อนที่วางแผนก่อนต้องคิดให้รองคอกว่าตรงไหนจะเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรตรงไหนจะเป็นประโยชน์อย่างมากหรือว่าตรงไหนจะมีบุญคุณบุญ มีคุณมีโทษอย่างไรพวกเราควรจะคิดให้รอบคอบก่อนก่อนที่จะเอาเจดีลงเพราะเจดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าจะว่างหัวใจของวัดกระชัยเพราะว่าพ่อบรรจุอธิษฐานของรือลูกเหมือนของครูบาอาจารย์วัดนั้นแต่วงบนยอดพระเจดีก็จะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ าธาตุพระอรหรันตสาวกาแล้วก็พุทธปฏิมาอยู่บนยอดพระเจดีย์อันนี้ก็ เ, เป็นท้าวลวัตถุของวัดนั้นๆเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะเอาทาวลวัตถุลงในจุดไหนพวกเราต้องคิดแล้วคิดอีกอทบทวนแล้วทบทวนอีก ผลที่เสียหายคืออะไรผลที่ได้ประโยชน์คืออะไรในปัจจุบันและอนาคตต้องคิดให้รอบครอบแล้วยังค่อยวางถ้าเราคิดดีแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดแต่ถ้าว่าเราคิดไม่ดีมัวเมียแล้วก็เห็นแก่คนไม่กี่คนคิดแบบตาสายตาสั้นแบบสายตาสั้นเหมือนมาอินเดีย สมาอินเดียเขาไม่ให้มองไกลว่าไงเขาหาอะไรบังตามันไว้ให้มันมองไปข้างหน้าแค่านั้นแหละถ้ามันเห็นไกลมันจะตื่นตระหนกมันจะกระโดดใช้กระโดดควาอย่างนั้นก็มัง่งเขาก็เลยป้องตามันไว้ไม่ให้มันเห็นไกลหเห็นใกล้ๆนี่แหละพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าคิดอะไรคิดใกล้ๆที่คิดสั้นๆไม่ได้มองไกลไม่ได้มองรอบขอบ ไม่ได้ว่าอนาคตไปภาคหน้ามันจะดีมันจะเสียหายอะไรปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะเสียหายยังไงผูกเกี่ยวข้องจะเป็นยังไงถ้าเราคิดให้ดีแล้วนะให้ไกลนะเราจะวางหมาดระวังเดินการเดินทางของเราตัวาการเดิน วิถีชีวิตของเราจะราบรื่นแต่เรามองสั้นๆมองใกล้ๆมองไม่ไกลโดยมากจะสะดุดนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะอย่างสร้างเกดีของหลวงปู่เพียรเป็นตัวอย่างต้องหาหรือกันแล้วหาหรือกันอีกก่อนที่จะขึ้นมาเมื่อวานกน็พูดกันเป็นลายบุคคลก็หลายสิบลายเหมือนกันแต่เมื่อวานก็ขึ้นมากันในระดับหนึ่ง ต่อไปก็คงระดับใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยนี่แหละการวางแผนใหญ่สรุปเลยก็คือฟันเฟืองฟันเฟืองเล็กค่อยหมุนขึ้นมาแล้วกับหนุนฟันเฟืองใหญ่ต่อไปฟันเฟืองใหญ่ก็ทำงานได้พวกเรา ท, ทุกท่านก็เหมือนกันนั่นแหะวิถีชีวิต ให้มองโลกให้มองธรรมอย่าไปมองแต่โลกอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่เราจะอยู่ในโลกนี้โฉวฟ้าดินสลายมีใครบ้างที่จะอยู่ในโลกนี้เี่เป็นร้อยเป็นพันปีดูสิใครอย่างมากก็ร้อยปีก็หมดสภาพแล้วตาฟ้าฟัางหูหนวกและ้ะช่วยตนเองไม่ได้และ้ะถึงร้อยปีเราละ่ะ จะอยู่ขนาดนั้นไหมถ้าอยู่ขนาดนั้นจะเป็นผู้วิ่งเต้นกระโดดโลดเต้นคล่องแคล่วกว่าใครทั้งหมดอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันในเมื่อเข า, าพาเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นพรานั้นคดีโลกเราก็ให้รอบคอบเราควรจะวางตัวอย่างไรหน้าที่การงานการทํามาหาเลี้ยงชีพให้มันให้ขยันอดทน แล้วก็พร้อมกันก็เราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประมาทนั่นคืออะไรถ้าคนกินเหล้านั่นแหละคือคนประมาทแหละถ้าดื่มสุราเข้าไปแล้วก็ขาดสติประมาทเร็วเร็ววันเลยเร็วพลันเลยว่างั้นเถอะอันนี้คือประมาทอย่างเห็นเห็นชัดๆประมาทนอกกว่านั้นคล้ายๆก็ว่าความช้าใจความไม่ได้ใส่ใจการทํางาน เป็นวันๆไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างไรในอนาคตเราก็ไม่ได้คิดนอันนี้คือคือความประมาทเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าเราดูรอบคอบแต่ละวีดแต่ละวันแต่ละเวลาผลที่จะเกิดมาจะเสียหายยังไงจะเกิดประโยชน์อย่างไรจะพอกภูนยังไงทั้งหลักทั้งยศทั้งสรเสริญทั้งศุข เราควารู้อยู่แล้วนะเราได้เรียน ก, กับโลกนี้มานานแล้วจะทำยังไงจึงจะให้มีคนสนับสนุนเราในทางที่ถูกต้องเราจะทำยังไงเราจะได้เงินคำทรัพย์สมบัติคือได้ลาบมาลาบยศลาบมาในทางที่ถูกต้อง ทำยังไงเราจึงจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีหน้าที่การงานดีกว่านี้ในทางที่ถูกต้องจะทำยังไงเราจึ ง, จ, งจึงจะมีความสุขในการเป็นอยู่และการวางใจการทำใจของเราความสุขเนี่ยมันมาทางสองอย่างแต่ตามจริงของยนต์มหาตัวเดียวนั่นะสองอย่างก็คือสุขกายสุขใจสุขกายก็คือ มีเงินคําทรัพสมบัติไม่ฝืดเคืองพอเป็นพอไปแต่สุขใจนั้นเราต้องรู้จักการปล่อยวางรู้จักเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจแต่บางคนเออบางคนร่ำรวยมีความสุขกายคิดอะไรได้ทั้งหมดเรื่องกายนะั้นไม่มีปัญหาตรงลดเรื่องล่าเรื่อง การเป็นอยู่ข้าวน้ำโภชนะอาหารเพราะมีเงินพร้อมแต่จิตใจรู้จักวางไม่เป็นอันนี้เพราะว่าทุ ก, ท, กทุกใจทุกใจทนะุกใจยิ่งกว่าทุกกายทุกกายเนะี่ยยังพอทําเนาแต่ทุกใจเนะี่ยอยู่ที่ไหนก็ทุกทั้งหมดเพราะนั้นจุดนี้เราจะเอาอะไรเข้ามาเป็นเครื่องวัดออกมาเป็นเครื่องอยู่หรือออกมาเป็นเครื่อง ดำเนินของจิตใจนอกจากหลักธรรมแล้วไม่มีทางอื่นถ้าเราคิดไปทางอื่นเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรที่จะขนเข้ามาเนี่ยยิ่งพอกพูนความทุกทข์ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่านำธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มาไตรทองมานำมาประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตของเราเนะี่ยนั่นแหล ะ, ะความทุกข์เหล่านั้นมันจะล่นอถอยออกเป็นขบวนขบวนว่างั้นแมันจะไม่มาทบทับผมจิตใจของเราเพราะใจของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องอมันให้ความสำคัญมันให้เครื่องความสำคัญในเรื่องนั้นนั้นในเมื่อให้ความสำคัญในเรื่องนั้นๆเรื่องนั้นๆก็ให้มันก็สำคัญที่ใจของเราในเมื่อ ใจของเราได้รับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องนั้นมันไม่ถูกใจของเราเนี่ย บ, บางทักบางทีถึงจะได้เพชรมาก็เถอะแต่มันบินน้อยนึงมันแตกน้อยนึงมันเล่าน้อยนึงเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นที่เราได้มาอีกเพราะเราไปให้ความสำคัญมันแต่เราไม่ให้ความสำคัญมาเหมือนกับหินก้อนหนึ่งหินแข็งอย่างนี้เราก็ทาใจของเรา อีกสักวันหนึ่งเราได้มามันก็พร้อมที่จะจากไปพร้อมมามันพร้อมที่จะหลุดไปพอเราให้ความสำคัญมันมันจึงสำคัญกับเราถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันมันจะสำคัญได้มาไมาได้อย่างไรสรุปแล้วก็คือมันอยู่กับเรา่นั้นหลักของพุทธศาสนาให้ดูใจดูใจเราทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้ความสำคัญท่วมท้นหัวใจของตนเอง ถ้าเราให้ความสำคัญท่มทุนท่มท่วมท้นหัวใจของเรานะั้นเราจะไปแบกมันเพราะเราเป็นเบี้ยล่างเราก็ต้องแบกแบกมันก็ต้องหนักหนักมันก็ต้องทุกข์อะไรทเพราะนั้นอย่าไปแบกมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวของท่านของคุณนะของเจ้านะร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าตั้งแต่กระดูก หกระโลกจนถึงกระดูกฝ่าเท้าเนยะยังไม่ใช่ของเจ้านะเราจะไปให้ความสำคัญกับกระดูกคนอื่น เ, เงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เลือกสวนไรนากิจการร้านค้าสุเจ้ายังไปให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นอยู่เหรอขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ยังไม่ใช่ตัวตนของเจ้าอีกเจ้ายังจะไปแบกเรานั้นอีกเหรอ เจ้าคิดให้ดีนะเจ้านะนเมื่อเจ้าคิดดีแล้วเจ้าจะรู้วิธีการดำเนินชีวิตของเจ้าเจ้าจะดมเนินอย่างไรกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าถ้าเจ้าเรียนวิธีชีวิตของเจ้าหรือเราเจ้ายังไม่รอบคอบในตัวของเจ้าเองเจ้าจะต้องเป็นทุกข์ตลอดไปเพราะนั้นพวกเราคิดดูร่างกายจริงไหม ตั้งแต่หัวจดเท้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะเป็นของเราได้ยังไงอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องไปใส่หีบใส่โลาไปเผาไฟอยู่แล้วแล้วใคระจะเป็นของเราได้ยังไงมีแต่ใจเท่านั้นแหละออกจากร่างไปแบบเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเราทำกุงามความดีอันไหนเอาไว้นั่นแหละบุญกุศลและบาปอ ก, กุศลเหล่านั้นจะเป็นเพื่อนสอง ในใจของเราจะเป็นเพื่อนสองใกล้ๆวะเมื่อเราทำบุญบุญกุศลก็จะวิ่งเข้ามาเป็นเพื่อนสองเป็นพาหะและเป็นพาหนะเออเป็นมิตรของเราเป็นเพื่อนของเราแล้วเป็นที่พึ่งของเราจะนำไปสู่สุขติแต่ถ้าเราทำกลัมชั่วทำกลัมที่ไม่ดีเอกลัมที่ไม่ดีกลัมชั่วเน้่ยนะเออจะเป็นพาหะเออจะเป็นเพื่อนสองเออจะเป็น คู่กระชากลากถูเราไปสู่ทุกขติเนะพราะฉนั้นพวกเราต้องคิดดูสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าอัตติอั ต, ตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ถ้าเราพึ่งตัวเองยังไม่ได้แล้วอย่าหวังเลยจะไปพึ่งคนอื่นเนะพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนะนะการสั่งสมคุณงามความดีนะ อย่าไปคิดว่าพ่อแม่ทำแล้วตัวเองจะได้ลูกทำแล้วตัวเองจะได้ครูบาอาจารย์ทำแล้วตัวเองจะได้เหมือนกับพ่อแม่กินข้าวไม่เป็นเลยพ่อแม่กินแล้วข้าจะอิ่มเองเลยเจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใครกินก็ใครอิม่มใครทำก็ใครได้ใครำทำกรรมชั่วกับคนนั้นได้รับไปถ้าใครทำกรรมดีขอบุญกุศลเข้ามาทั้งที่อยู่ด้วยกัน ร, รักขนาดไหนก็ถะ พ่อกับแม่แต่พ่อแม่ทํากรรมชั่วลูกก็ช่วยไม่ได้ออถ้าถ้าพ่อทํากรรมดีพอไปสู่สวรรค์ลูกก็ไปตกนรกตายง่าย อ, อมีแต่เทวทัตกับสุปพุธธนะทธะทากรรมชั่วใกล้เคียงกันอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดแบบดูถูกเหยียดยามงนะพูดให้ฟังเป็นคติตัวอย่างอ อ, อย่างพระเทวทัต อย่างพระเจ้าสุปปะพุทธะเนี่ยเป็นพระบิดาของพระเทวทัตเนี่ยเป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้าเอ่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปฉันในที่แห่งหนึ่งอไปตั้งวงไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านตรงนั้นไปได้ใครว่าไปเหมือนกับขันสะทั้งนูง้นกับน้ำทางนี้กับ น, น้ำลกักษณะอย่างนั้นสุปปะพุทธะเห็นแล้วว่าในเมืองนี้จุดไหนที่เป็นจุดที่ขับขันพระพุทธเจ้าจะเสด็จไม่ได้พระเจ้า จุปปะพุทธะพ่อตาเนี่ยไปตั้งวงจุดนั้นเลยงั้นนะให้ตรงจุดใหญ่จนพระสงฆ์ไปบินธบาทไม่ได้เขาขอก็ห้ามไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินประยุทธ์ปปุถะเจ้าจะไปใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างไงนน่ะจุปปะพุทธะนี่แหละทำให้แผ่นดินสู่พระเทวทัตลงแผ่นดินพระเทวทัตที่เป็นลูกชายของจุปปพุทธะที่นี่แข่งจะเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตัวเองอยากจะแข่ง<อ>ทําร้ายพระพุทธเจ้าหลายเรื่องหลายราวผลที่สุดกับแผ่นดินสูบสูบปัปพุทอพ่อของพระเทวทัตแผ่นดินสูบพระเทวทัตกับแผ่นดินสูขอันนั้นนะคงจะอยู่ใกล้กันอยู่หลวงพ่อว่ะพระสูบลงไปก็คงจะไปอยู่ ใ, ใกล้ๆกันนรกหลุมนั้นอืม<อ>แต่เราจะไปดูด่อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นอ่ะเออ เราอย่าไปทำอย่างนั้นกรรมชั่วนะมันไม่ดีหรอกกรรมชั่วเผาผานให้โทษเออไม่ใช่ให้คุณนะให้โทษพวกเราเมื่อภายหลังออพวกนั้นเราตนเองนะ่ะต้องทำกรรมดีอย่างเทวทัตกับสุปาพุท ธ, ธนะต่างคนต่างแข่งกันทำความชั่วก็เลยลงไปอยู่ด้วยกันเพราะนั้นพวกเราอย่าไปแข่งนะออแข่งกันทำคุณงามความดี ถาวาพวกเราทําคุณงามความดีนะั่นแอละถึงพ่อทําความชั่วพ่อก็ต้องไปตกนรกท่านลูกทําความชั่วลูกก็ไปตกนรกแต่นี่เทวทัตกับสุ ป, ปพุทธะเนี่ยต่างคนต่างทําความชั่วนั่นกันเลยลงไปด้วยกันแต่ถ้าว่าผู้ใดทดํากรรมดีพ่อทํากรรมดีลูกทํากรรมชั่วลูกก็ต้องไปตกนรกพ่อก็ไปสู่สวรรค์นิพพานนี่แหละสามีภรรยา ลูกหลานของใครก็ตามลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันหลวงพ่อทานฉันอาหารลูกศิษย์จะไปอิ่มยังก็ไม่ได้ลูกศิษย์ทานอาหารหลวงพ่ออิ่มก็ไม่ได้หลวงพ่อทําคุณงามความดีจะไปให้ลูกศิษย์มีความสุขก็ไม่ได้แต่ตามไม่จริงแบ่งบุญบรารมีแผ่เมตตาเอออันนั้นเป็นพลัง เ, เป็นพลังของจิตใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านมีบุญวาดสนาบารมีท่านก็แผ่เมตตาช่วยด้วยพลังครเออเป็นสุขเป็นสุกนะคล้ายๆกับว่าเอาพลังจิตใจเข้าไปช่วยให้สึ่งนั้นที่เหมือนกับคนตกน้ำอนะ่างนั้นเขาก็มีกําลังอยู่แต่มันไม่พอที่จะว่ายน้ําได้ก็มีคนไปพยุงขึ้นมาอคนนั้นก็ว่ายน้ําถึงฝั่งได้นี้ก็เหมือนกันนะเขาก็มีบุญบารมีอยู่ แต่ว่ามันมันติดขัดมันตกอับหรือวกรรมชั่วให้ผลในจุดนั้นครูบาอาจารย์คุณระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาช่วยผู้ฆ่าเดินเออให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เห็นไปในทางที่ถูกต้องจะให้ข้าพเจ้าจมปรัอทุกข์ยากกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นี่เราระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แผ่เมตตาใหเา้เราก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้อันนั้นคื อ, อทั้งกำลังใจของเราด้วยทั้งกำลังกายของเราด้วยทั้งกำลังบุญวัดาสนาบา ร, รมีของเราด้วยเป็นพลังไง เ, เราก็เดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ อ, อันนี้็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็ให้พึ่งตนเอง อย่าไปคิดพึ่งคนอื่นถ้าพึ่งคนอื่นนะั่นนะอแป่ซ้ายแปรขวาหลบหน้าหลบหลังหาความสุขทางจิตใจไม่ได้ถ้าพึ่งตนเองนะั่นนะที่พระพุทธเจ้าให้พึ่งนะั่นนะคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งได้โกหิตนาโถปรโรสิยานะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่ทานนะให้สั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลวันนี้หลวงพ่อได้ พูดในแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตั้งแต่เริ่ม JD, เริ่มเจดียนการจะททำเจดีของหลวงปู่ทำอย่างไรต้องคิดให้รอบคอบต้องคิดให้กว้างไกลเพราะเราวางแผนก่อนถ้าเราคิดไม่ดีแล้วอนาคตมันก็ไม่ดีถ้าทำอะไรออกไปแล้วเหมือคนตัดถนนคนตัดถนนเห็นแก่ลาบเห็นแก่ยศเห็นแก่ อยากจะได้ถนนให้มันยาวก็ได้ตัดโค้งไปโค้งมาโค้งมาโค้งไปก็บอให้สุดผู้ที่เกิดมาทีหลังกันน่ะต้องเดินโค้งไปตามที่คนก่อนเขาตัดถนนให้เดินเพราะเหตุไรเพราะคนก่อนเขาสรุปแล้วก็คือสายตาสั้นเห็นตั้งแต่เงินก้อนเงินเม็ดเงินนิดหน่อยออแต่อนาคนะความสะดวกสบายและความผาสุขของลูกของหลานไม่ได้คิดเนี่ย เพราะนั้นพวกเราจะให้เป็นประเภทไม้อินเดียว่าไงแต่ต้องสักมองสายตาให้กว้างให้ไกลมองสิ่งไหนให้รอบคอบตัญญญ้งการดำเนินชีวิตของเราก็อย่าให้มันมองสั้นให้มองยาวยาวให้มองไกลไกลให้มองรอบคอบสรุปลงแล้วก็คือเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถอย่างที่ว่าพ่อแม่กินข้าวแล้วไม่ใจ่อิ่มถึงลูกพ่อแม่ ลูกกินข้าวไม่ใจอิ่มถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําคุณงามความดีแล้วไม่ใช่จะเหลื่อมถึงสิทธิ์สิทธิ์ทำความชั่วมันก็คุ้มครองไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าคุ้มครองเทวทัตไม่ได้แต่ถ้าว่าเขาคนนั้นทําคุณงามความดีแต่มันตกทุกมีความลําบากอะไรนึกถึงอันนั้นก็มีส่วนอย่างเทวทัตก็มีส่วนเหมือนกันนะทายว่าไปแล้วก่อนที่จะแผ่นดินจะสูก ลงไปนะพอสูบถึงคอคอเทวทัตแผ่นดินสูบถึงคอเทวทัตโอ้เออข้าไปเจ้าเห็นโทษแล้วข้าไปเจ้าทํากรรมชั่วมากมายหลายอย่างที่จะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าจงอาหูเอาหสิให้ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าไม่มีสิ่งไหนที่จะเขาลบสักกะระอีกแล้วนอกจากขากรรไกรคือคาง คางของข้าพเจ้าเนี่ยแหละขอกราบคารวะพระพุทธเจ้าขออโหสิศให้ข้าพเจ้าด้วยเทนะินเพราะว่าท่านนึกเข้าหัวโอค า, างเลยแสดงความกรุปเพราะนั้นพระพุทธ เ, เจ้าเห็นจุดดีแหละที่นําที่ให้พระพุทธที่ให้พระเทวทัต บ, บวชนะคือเห็นจุดที่ว่าเทวทัตจุ ด, จ, ดจุดท้ายแล้วเขาจะสํานึกผิดอบุญกุศลตัวนี้มาหาศาลเลยที่จะ ถ้าเทวทัตตกนรกอเวจีมหานรก เ, เมื่อพ้นจากนรกแล้ว เ, เขาจะได้สวยกรรมในชั่วระยะหนึ่งจากนั้นต่อมาเขาจะได้เป็นจะได้บวชจะได้เป็นพระปเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังดีกว่าพวกเราอยู่เลยถ้าจะว่าไปล่ะเพราะหลเพราะเทวทัตได้รับพยากรถึงจะตกนกอเวจีมหานรกขนาดไหนเทวทัตก็ยังจะได้เป็น พระพเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอแต่พวกเราเนี่ใครบ้างที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามายากเหมือนกันนะอแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะอาจพวกเราอาจจะรับพยากรณ์มาแล้วก็ได้อแต่ว่าเทวทัตเนี่ยแน่นอนในตำราว่าได้รับพยากรณ์แล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเพราะว่าสํานึกผิดเนี่ย เพราะนั้นพวกเราการกระทําหรือการคิดอะไรก็ตามให้สํานึกว่าอยู่เ ร, เราคิดเราคิดผิดหรือเราเราคิดถูกนะอถ้าเราคิดผิดแล้วก็กลับใหม่ซะไอ้คิดถูกเพราะงั้นเราพูดผิดเนี่ยกลับใหม่พูดถูกครับฐานการทำํกรท ำ, ท ำ, ทำ ก, ก, ำก็เหมือนกันถ้าเราทําผิดให้ทาใหม่ให้มันทําถูกนการทําถูกทางก็เหมือนกับพระเทวทัศน์เนี่ยสํานึกผิดแล้วก็เห็นถูก ลำนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์ไว้ว่าจะได้เป็นพระปัจเจกนะตอ น, นี่ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร